เราศึกษาต่อในเรื่องของจิตานุปัสสนาไปในชั้นของจิตานุปัสสนากน็ที่จริงพูดถึงในเรื่องของคณะยังไม่จบก็ไปอีกเรื่องเลยเนยหลายเรื่องเลอเกินไปเนี่ยนะโดดไปโดดมาก็ก็ตรงนี้นะในนานาธ า, าตุโยเนี่ย ท่านพูดถึงในเรื่องของยกแล้วซึ่งธาตุต่างๆขึ้นมาเพื่อจะแยกแยะคณะแล้วทาลายอนัตตลักษณะย่อมปรากฏในสภาวะของตอนตามบอกเป็นจริงอันนี้ก็พูดถึงในรื่องว่าอนัตตลักษณะย่อมไม่ปรากฏเพราะถูกคณะปกปิดไว้ถูกอะไรปกปิดไว้ถูกสัญ ต, ติคณะปกปิดไว้ความเป็นกลุ่มเป็นก้อนของนอามธรรมที่เกิดขึ้นสืบต่อกันเป็นแถวเป็นแนวของรูปของนามทั้งหลาย ถูกสมูหะคณะปกปิดไว้เพราะไม่สามารถแยกกลุ่มของคณะต่างๆเหล่านั้นได้เช่นไม่สามารถแยกปัทวีอาโปเตโชวาโยสีกลิ่นรสโอชาธาตคือพุทธรูปและอุปาทายรูปเป็นต้นได้หรือถูกกลุ่มของเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขั น, ขนวิญญาณขันความเป็นกลุ่มเป็นก้อนของนามธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นชุดเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกแยะสภาวะ นี้เป็นผัสสะนี้เป็นเวทนานี้เป็นสัญญานี้เป็นเจตนานี้เป็นเอกขตานี้เป็นชีวิตินทรีย์ีนี้เป็นมนุิการนี้เป็นวิตกวิจารเป็นต้นเหล่านี้นะไม่สามารถจะแยกแยะสภาวะธรรมต่างๆเหล่านี้ออกมาได้ความเป็นกลุ่มของสมูหะต่างๆเหล่านี้ก็เลยปิดบัง เมื่อปิดบังอนัตตลักษณะลักษณะที่เป็นอนัตตาก็ไม่ถูกเปิดเผยด้วยยานปัญญานี่เป็นอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เข้าไปสามารถเจาะทะลุทะลวงเห็นกิจจคหณะของนามาธรรมของรูปธรรมและนามาธรรมเป็นต้นได้ว่ากิจจาระสาของหน้าที่ของรูปหน้าที่ของนามาธรรมเหล่านี้เขามีกิจในการที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาทําการงานใดๆต่างๆเหล่านี้ ก็เลยเป็นสำคัญว่าเราทำใช่ไหมเราทำบ้างคนคนนั้นทำบ้างต่างๆไม่เข้าใจความเป็นไปของกิจจาระักษิ์ของนามธรรมเหล่านี้อันนี้ถูกปิดแล้วแล้วก็อรรมณคณะก็ปิดหมดเลยเนี่ยไม่มนาสการก็บอกว่าอนัตตลักษณะไม่ย่อมไม่ปรากฏในมารดิกาว่างนั้นนะคณเนนะปฏิจฉันนะตาเป็นต้นเบอกว่า อนัตตลักษณะย่อมไม่ปรากฏเพราะถูกคณะทั้งหลายปกปิดและคณะทั้งหลายเหล่านั้นเกิดปกปิดเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าไม่มนสิการโดยแยกใครไม่แยกแยะกันเหงทาต่างๆไม่แยกแยะปัทวีธาติโชธาตวายโยธาต์ใช่ไหมอาปโปธาตไม่แยกแยะพวก อากาศธาตุม่แยกแยะวิญญาณธาตุธรรมธาตุทั้งหลายเล น, นะนี้เนือนี่บอไม่แยกแยะเนี่ยในวิมติในอุปักกิเลสะวิมุตตะอุทยพยายาญาณกถาท่านแสดงว่านาน า, นาทาตุโย ว, วินิพุทธคิตวาคณะวินิพโพเคคาเตอันัตตขนังยาถาวสระยาถาวสระสโต ปัฏฐานติบอกว่ายกแล้วซึ่งท่าต่างๆขั้นเมื่อยกแล้วซึ่งท่าต่างๆก็แยกแยะคณะแยกแยะสันตติคณะแยกแยะสมุหะคณะแยกแยะกิจจากคณะเป็นต้นกระทําแล้วให้อนาตตลักณะคืออนัตตานุปัสนาย่อมปรากฏโดยสภาวะของตนตามความเป็นจริงต่อไปก็จะเห็นด้วยความเป็นธาตุดินตามความเป็นจริงว่า สภาวะที่หนักสภาวะที่แข็งสภาวะที่หยาบสภาวะที่นุ่มสภาวะที่เบาสภาวะที่กลมนะเกลี้ยงสภาวะที่เย็นสภาวะที่ร้อนสภาวะที่ไหลสภาวะที่เกาะกลุ่มสภาวะที่เกาะกลุ่มและผลักดันกระแทกนะก็จะเห็นกลุ่มธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมชัดเลยอันนี้ท่านถึงบอกว่า ยกแล้วซึ่งทาต่างๆขั้นเมื่อยกแล้วก็มีการแยกคณะแยกสันตติคณะแยกสมูหะคณะแยกกิจจากคณะกฐามแล้วอนัตตลคณะย่อมปรากฏโดยสภาวะของตนตามความเป็นจริงก็คือว่าปัทวีธาตุพอถ้าไม่ได้แยกกลุ่มครุปปัทวีระหูปัทวีตามหลักของอภิธรรม ใช่ไหมภาพพิธามเนี่ยถ้าในธรรมสังคณีเนี่ยนะถ้าในชั้นของที่เรามาเรียนกันก็ธรรมชาติที่แข็งกับอ่อนแต่ในชั้นของธรรมสังขณีท่านบอกว่าแยกให้ละเอียดกลุ่มครูปตะวีสามเลยหนักแข็งหยาบนี่นะแล้วก็เบาอ่อนแล้วก็ไม่หยาบก็คือเกลี้ยงสะอาดนั่นเอง นะลักษณะนี้คือกลุ่มธาตุดินแล้วก็ไหลเกาะกลุ่มอันนี้ก็คือธาตุน้ําเย็นรอน้อนนี่ก็ธาตุไฟแล้วก็พยุงแล้วก็ผักดันนะพยุงกับผักดัน12บธาตุเหล่านี้มีอยู่ทั่วกระดจกกายดินน้ําไฟลมทั้งหลายมีอยู่ทุกกะลาบในกระราชกายทั้งสิ้น มีอยู่ในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกในไตในหัวใจในปอดใช่ไหมแม้ในดีสเลตหนองเลือดเหงื่อมันคข้นน้ําตาเปรียวมันก็มีอยู่ใช่ไหมก็มีอยู่ต่างๆเลยอันนี้ก็ไปไปดูว่าธาตุต่างๆเลยนี้ไม่ปรากฏเพราะถามทําไมถึงเห็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะไม่ได้มีการแยกไม่กระทําอนัตตลักษณะ เพราะถ้าแยกแล้วกระทำอนาตราปรากฏสภาวะโดยสภาวะทำตามความจริงตรงนี้ท่านก็แสดงในมหาดีกาขยายยาวเลยบอกว่ า, ว า, นานานาธาตุโยติบอกว่าซึ่งธาตุต่างๆได้แก่ซึ่งธาตุทั้งหลายมีปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุมีอย่างต่างๆคือสภาวะธรรมทั้งหลายมีอย่างต่างๆกันนะท่านใช้คําว่าวินิพพุชิตวาบอยกแล้ว กระทำแล้วเป็นแผนกแผนกโดยในเป็นต้นว่านิปัตวีธาตุเป็นอย่างอื่นจากอาโปธาตุเป็นอย่างอื่นจากเตโชธาตุเป็นอย่างอื่นจากวาโยธาตุนี่แยกและนี่ท่านสอนแยกนะจริงๆโดยหลักการในมาวิจัยก็คือแยกแยกปัตวีธาตุให้เข้าใจลักษณะของปัตวีธาตุ kingdom, กิตของปัตวีธาตุอาการปรากฏของปัตวีธาตุเหตุใกล้ของปัตวีธาตุนี่ต้องมาแยกอย่างเงี้ย แยกปฏิวีธาตุการแยกซึ่งปฏิปวีธาตุเนี่ยแยกเพื่ออะไรแยกเพื่อให้เห็นลักษณะลักษณะปร ะ, ประธาตุนหรือปัจจุประฐานประธาตุนเช่นกักคาระลัคนาปฏิวีเนี่ยมีลักษณะแข็งเนี่ยมีลักษณะหนักเนี่ยมีลักษณะหยาบเ น, นี่ยในนิคารุปฏวีหรือมีลักษณะเบามีลักษณะอ่อนมีลักษณะเกลี้ยงเกลาเงี้ยนะ นุ่มก็ได้หยาบกับ น, นุ่มเนี่ยตรงกันข้ามกันอันนี้เป็นปฐวีนะกิจกิจจาระศาของปฐวีก็คือว่าเป็นที่ตั้งเกิดของรูปกราบหมู่กราบที่เหมือนกันนะเว้นตนเองเสีปฐวีถ้าเป็นที่ตั้งของรูปกระาบคือเป็นที่ตั้งของอาโปเตโชวายโอไป ปัจจุปฐานนะก็คืออาการปรากฏต่อปัญญาผู้ปฏิบัติว่าเป็นธรรมที่รองรับหมู่กระลาบที่เหมือนกั น, นเว้นตัวเองเออกไว้เนี่ยอาการปรากฏก็คือว่าอาการปรากฏของปทวีธาตุเมื่อไปวิจัยพิจารณาลักษณะแล้วกิจจาราศาเป็นต้นเนี่ยแล้วก็เห็นด้วยยานปัญญาของของผู้มียานปัญญาเข้าไปวิจัยบอกวปทวีธาตุเนี่ยลักษณะและกิจต่างๆนนเนี่ยบอกว่าปรากฏต่อยานผู้ปฏิบเป็นธรรม ท, ที่ที่รองรับ เป็นธรรมที่รองรับไฟเป็นธรรมที่รองรับน้ําเป็นไฟที่เป็นเป็นธรรมที่รองรับธาตุลมและในขณะเดียวกันยังเป็นที่รองรับของสีกลิ่นรสโอชาธาตุด้วยเนี่ยเนือย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นที่รองรับของรูปภาษาธรูปมีจักรคู่ภาษาทะโสตต์ภาษาธาตเนี่ยรูปใสความใสที่สามารถรับสีความใสที่สามารถรับเสียงนี่นั่นแหละเพราะปฐวีธาตุเป็นต้นน่ยก็เป็นฐานเป็นที่ตั้งของ รูปเหล่านี้ฉะนั้นถ้าจักขูประสาทที่ใส่น่ะเป็นความใส่ของปฐวีนะเป็นความใส่ของปฐวีธาตุเนี่ยนั้นกลุ่มรูปมันเลยมีสองกลุ่มไงรูปที่ใสกับรูปที่ไม่ใสถ้ารูปที่ไม่เกี่ยวข้องกับไอ้เจเช่นว่ากรรมม่เชื้อโรคเออขอไปเกี่ยวกันในเรื่องของกรมไอ้เกี่ยวกันในเรื่องของไอ้จิตตชื้อโรคเนี่ยอุตุชื้อโรคอาหารชื้อโรคเนี่ยไม่มีความใสปกคลุมอยู่ใช่ไหม อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่มีความใสของจักขคูประสาทไม่มีความใสของโสตประสาทคานาประสาทชิวหาวประสาทกายยาประสาทคือดินน้ำไฟลมที่เป็นที่ตั้งของจักรคูประสาทก็เป็นรูปใสไปรูปอย่างเี้ยใช่ไหมโสตประสาทที่อยู่ในหูคานาประสาทอยู่ในจมูกชิวหาวประสาทอยู่ที่ลิ้นนะนะแผ่นลิ้นกายยาประสาทอยู่ที่แผ่นกายทั้งหลายทั้งภายในภายนอกทั้งดีทั้งปอดไตทั้งหลายทั้งกระดูกทั้งหลายอันนี้ก็มีกายยประสาทอยู่นะอย่างเงี้ยนะ อันนี้ก็มีความใสยันกลุ่มหนึ่งส่วนกลุ่มที่กิดจากเกิจเจดกจาอตุกิดจากหาเนี่ยไม่มีพวกภาษาทะเหล่านี้ปกคมอยู่มันก็เลยสองส่วนส่วนใสกับส่วนไม่ใสเนี่ยท่านก็แยกเนี่ยนะนี่ก็คือคือปัจจุปทานนะปฏิทฐานก็คือเหตุใกล้ของเขาก็รวบปฏิทา h a ที่เหมือนกันเนี่ยสาฉะนั้นโดยโดยใจความตรงนี้ก็คือว่า ปัทวีธาที่แข็งอ่อนนี่แหละรัสะก็คือเป็นที่ตั้งเกิดของหมู่รูปกราบที่เหมือนกับตนเองเว้นตัวเองปัจจุประทัดฐานสภาพที่รองรับหมู่กรลาบที่เหมือนกันตนเองที่เกิดในญาณปัญญาแล้วก็ประทัดฐานก็คือนั่นแหละรูปที่เหลืออีกสามเป็นเหตใกล้ถ้าอโปธาต์ก็สภาพที่ไหลหรือเกาะกลุ่มเนี่ยนะรัสาก็คือสภาพที่พ่อคูนรูปประธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนใช่ไหมก็มีการพ่อคูนรูปธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนไป กิจาระษะอาการปรากฏก็คือสภาพที่รู้ว่ารูปที่กราบเกิดพร้อมกับตนน่ยนะเกาะกลุ่มอยู่ก็คือเขาสามารถจะเกาะกลุ่มรูปกราบที่เกิดพร้อมกับตนน่ยให้เป็นเป็นกลุ่มให้เป็นกลุ่มเป็นแท่งได้เพราะมีอาโปนี่แหละเกาะกลุ่มอยู่ไอ้ตัวอาโปนี่เกาะกลุ่มอะไรเกาะกลุ่มดินน้ํำดินไฟแล้วก็ลมใช่ไหมเนี่ยเกาะกลุ่มกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นกราบ เป็นพวกกระดาบ8บ้างกรดาบ9บ้างกระดาบ10บ้างอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้ตัวตัวอาโปก็เป็นตัวสภาพเพิ่มพูนไปเกาะกลุมไปส่วนเตโชธาตก็สภาพที่เย็นที่ร้อนกิริักษาก็คือสภาพที่ให้รูปในหมู่เดียวงต้นเนะ่ยเกิดความสุขความใสขึ้นมาเกิดความร้อนความเปล่งปลั่งขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะีเป็นสภาพที่ ส่วนว่าปัจจุบันก็ปรุงแต่งรูปธรรมที่หมู่เดียวกันกับตนให้อ่อนบ้างให้นุ่มบ้างนเพราะสภาพของของเตโชธาต์นี่แหละเป็นปัจจัยและแล้วก็ประทัดฐานกับรูปที่เหลืออีกสาม่ทวโยธาต์ก็ลักษณะก็คือสภาพที่ตึงหรือพยุงหรือผักดันเนี่ยเออก็หมายความว่าตึงพยุง ถ้ากิจรักษณเห็นชัดเจนก็คือเคลื่อนไหวและผักดันด้วยใครวายโยธาเนี่ยใครที่กลุ่มวายโยธาเนี่ยถ้าถามบอกว่ากลุ่มกระแสะโลหิตทั้งหลายเรานเนี่ยนะกลุ่มกระแสะโลหิตทั้งหลายก็ดีกลุ่มกรัชกายทุกส่วนสัตว์ของร่างกายก็ดีเนี่ยหรือกรณีเนี่ยนะเนี่ยมีการผักดันมีการกระแทกเป็นระยะระยะนะนะ ที่มีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวต่างๆมีการกระพริบตาบ้างมีการที่อวัยวะมีการคู่มีการเหยียดต่างๆเหล่าเนี้ยเนี่ยเป็นลักษณะของวายโยธาตมีการประเภทที่ว่าพยุงบ้างผักดันบ้างมีการกระแทกบางครั้งกระแทกแรงปวดเลยนะใช่ไหมลักษณะที่ธาตุลมทั้งหลายเหล่าเนี้ยที่สารพัดเป็นไปทั่วเนี่ยผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็โดยมากเขาก็จะจะวิจัยธาตุเกลี่ยธาตุได้ ทำมาวิจัยธาตุเกลียธาตุปรับความสมดุลในธาตุเนี่ยอันนั้นแปลว่าผู้ปฏิบัติที่มีความชํานาญแต่พึงเข้าใจนะธาตุที่เกิด อ, อยู่จุดหนึ่งไม่สามารถวิ่งไปอยู่จุดหนึ่งได้เพราะเกิดที่ไหนดับที่นั่นไหมเกิดที่ไหนดับที่นั่นธาตุไม่มีการวิ่งเคลื่อนที่ให้เข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนั้นก่อนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าอคําว่าเกลียธาตุหรือปรับความสมดุลของธาตุดินน้ําไฟลมต่างๆเหล่านี้ก็แปลว่าให้ธาตุมันวิ่งไปไหมไม่ใช่หรอก แต่ด้วยความที่ใส่ใจใคร่ควรพิจารณาวิจัยเนี่ยไอ้สภาพตึงก็กลายเป็นอ่อนได้สภาพที่แข็งเนี่ยนะไอ้สภาพที่ที่ไหลย้อยก็กลายเป็นก่อกลุ่มเย็นก็สามารถปรับสภาพความร้อนให้ให้เป็นไปความสมดุลต่างๆเป็นต้นได้จิตนี่ไม่ธรรมดานะถ้าเราไปดูอย่างที่กล่าวไว้เกี่ยวกรณีของของนักบวชของของอินเดียเนี่ยโอ้โหคอนโทรลธาตุจนหน้าวิจิตพิสดารเลยเนี่ย ทำให้ธาตวิ่งไหลไปตามตัววิ่งได้ทั่วตัวเลยเนี่ยนะอันนี้ไงไหมฮะถ้าเราเห็นก็ น, นึกโหว่าทำไมเขาทาได้วิจิตแท้จริงในพระาศาสนาสอนกําหนดธาตุละเอียดกว่านั้นเยอะอันนั้นเป็นแค่รูปธรรมหยาบๆแต่ภาษาศาสตรสอนวิจัยละเอียดเลยเนี่ยนะเพื่อให้อนนตตาปรากฏเลยเนี่ยแง่ลักษณะอย่างนี้คือปฐวีธาตุเป็นอย่างอื่นจากธาตุที่สอาโปธาตุก็เป็นอย่างาอื่นจากธาตุโดยในเป็นต้นภาษาก็เป็นอย่างหนึ่งนะในสามยุทธรรม กรณีภาษาธรรมชาติเห็นไหมกิจจราระสาของภาษาภาษาก็เป็นอย่างหนึง่งเวทนาก็เป็นอย่างหนึง่งสัญญาเนี่ยตรงนี้ไล่รายละเอียดในในดีกาท่านขยายองนี้ยภาษเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนุิการวิตกวิจารณิโมกวิริยาปีติฉันทะเนี่ยศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาคือคือสภาพที่จุดต่างกันอย่างนี้เขาเรียกว่ากระจายชนะกระจายชนะ เนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายไม่เข้าใจว่ากลุ่มก้อนของนา ม, มาทำทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเหมือนเขารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแท้จริงเขาไม่ได้ปรึกษาอะไรกันเลยนะสถาบันว่าทําเหล่าเนี้เขาไม่ได้ปรึกษาว่าเอ อ, อตอนนี้มานั่งประชุมกันคุณจะทําหน้าที่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขามีกิจใช่ไหมแต่ละอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นมาแล้วสืบต่อเป็นไปตามปัจจัยนั้น และเขาก็เป็นสมูห์ากเกิดขึ้นมาจริงก็ดิงแต่จริงๆไม่ใช่ก้อนน้ําก้อนเดียวกันเป็นแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละสภาวะแต่ละสภาวะเป็นอย่างนี้และในแต่ละสภาวะนั้นก็มีกิจต่างกันกิจในการที่ว่าจะเสวยภัฒนากิจของการประสานประสานอารมณ์เนี่ยนะเชื่อมอารมณ์ต่ออารมณ์ยังไงเวทนาบริโภคเสวยรสของอารมณ์ยังไงเป็นต้นเนี่ยก็มีกิจจารักดิของเขาแตกต่างกันออกไป แค่นั้นมูเมื่อแยกแยกคณะและกระทําความว่าคั้นเมื่อหมู่สมูหาคณะกิจจากคณะรามณะแยกออกแล้วก็ความเป็นสมูหาคณะนี้ใดความเป็นก้อนด้วยอำนาจของการรวมกันคือไม่แยกการเกิดดับเป็นไปอยู่อันบุคคลผู้ไม่ได้พิจารณาสังขารทั้งหลายยึดถืออยู่ด้วยอํานาจของความยึดว่าเราเป็นอันเดียวกันในรูปธรรมและรูปธรรมทั้งหลายซึ่งอุปธรรมซึ่งกันและกันรวมกันอยู่ ผู้ไม่มีโยนิสโสมนัสการนะแยกแยกะเบ็ิสําคัญว่าเป็นอันเดียวกันหมดเลยเป็นสําคัญว่าเป็นอันเดียวกันในกรณีที่แหมจะยกไมย้ยกมือแต่ละครั้งเนี่ยความไม่เข้าใจความเป็นไปของรูนามธรร ม, ค ว, มความรูปธรรมทั้งหลายว่ารูปธรรมที่เกิดก่อนกับรูปธรรมที่เกิดหลังสืบเนื่องเป็นไปกันอย่างไรแล้วก็มีปัจจัยที่เป็นปฏิปักษ์ทําให้รูปธรรมเหล่านั้นสลายไปอย่างไร พอเป็นรูปปั้นน่ารักขนังอย่างไงหรือนามาทำทั้งหลายแตกดับเป็นไปอยู่แต่การแตกดับเป็นไปอยู่ตลอดสายนั้นน่ะเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วและในขณะเดียวกันเมื่อสัตว์นั้นเกิดความจงใจตั้งใจในการจะเคลื่อนไหวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคู่เหยียดก้มเงย น, นามาทำทั้งหลายก็ไหลเป็นไปตามลําดับและกิจของนามาทำทั้งหลายก็ทํากิจต่างๆกันเป็นไปและก็เหมือนกิจการเป็นรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน สัตว์ทั้งหลายก็เลยเข้าใจว่าเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นอันเดียวเป็นสัตว์เป็นบุคคลในการกินในการดื่มในการเคี่ยวในการลิ้มความเข้าใจของสัตว์ทั้งหลายก็กระจายคณะเหล่านี้ไม่ได้ความเป็นสัตว์บุคคลเป็นตัวตนเป็นเราเขาเป็นสัตว์แต่ว่บัญญัติเป็นสันฐานบัญญัติแม้เข้าไปเจาะลึกของชั้นของกลุ่มภัยละลิท ไปเห็นแม้เป็นดินน้ำไฟลมเป็นสุกทุกขเป็นชีวะทั้งหลายก็กระจายก ร, ราบต่างๆเหล่านั้นออกไม่ได้ความสําคัญว่าเป็นของเที่ยงแท้แนนอนเป็นอัตตะชีวะทั้งหลายก็เลยไม่สามารถหลุดพ้นไปจากสังสารวัตรได้เพราะมิจฉาทิฏฐิได้ได้กินใจสัตว์เหล่านั้นก็ตอกสมาทานมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นตอกยก้ำก็สอนละทิผิดๆกันออกมาเป็นแถวเป็นแนวใช่ไหมในสังสารวัตรก็จะเป็นอย่างงี้ ในรูปปาธมธาตุทั้ง4ี่ดินน้ำไฟลมซึ่งอุปธมซึ่งการและการเกิดขึ้นดับไปพร้อมกันไม่แยกกา ร, รดับไปก็เรียกสมูหะในรูปธรรมทั้งหลายคือเวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณซึ่งอุปถธมซึ่งการและการเกิดขึ้นและดับไปพร้อมกันไม่แยกกันเกิดและดับชื่อว่าสมูหะนีสมูหะความเป็นก้อนและความเป็นไปอันเดียวการชื่อว่าคณาตายึดมั่นว่าเป็นก้อนด้วยและยึดมั่นว่าเป็น ยึดมั่นว่าธาตุทั้งสี่ตลอดถึงเวทนาขันธ์สัญญาสังขารวิญญาณนำมาขันธ์สี่เป็นอันเดียวกันเดิมนานการรวมกันเชื่อวสมูหะคณะสัญญาเห็น ไ, ไหมเขาเรียกสมูหะคณะสัญญาตรงนี้ต่างๆเหล่านี้ก็นิสมูหะส่วนกิจจากคณะก็นา ม, มารำทั้งหลายเนี่ยรูปธรรม ท, ทั้งหลายนี่แหละไม่ได้พิจารณาว่าประเภทแห่งกิจให้สังเกตตดู น, นะว่า การกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการพูดการผัดเปลี่ยนียาบทเนี่ยเกิดขึ้นเป็นไปสืบต่อของนามะธรรมทั้งหลายที่เขาทํากิจนะถ้าเขาไม่ทํากิจเบ็ดเสร็จเหล่านี้การกระทําต่างๆออกมาการพูดการหัวเราะการคุยการแสดงออกต่างๆจะไม่มีเลยนั่นแหละคือนามธรรมเกิดการอุปถัมภ์ค้ำจุนซึ่งกันและการแตกดับเป็นไปทํากิจต่างๆอยู่สัตว์ทั้งหลายก็เห็นเป็นเลยเนี่ยเป็น บอกว่าด้วยเดชของตนคือย่อมเคี้ยวกินบอกถ้าถามบอกว่านามธรรมรูปธรรมทั้งหลายถ้าเขาแยกกันออกเนี่ยเขาทำกิจไม่ได้เลยเขาทำกิจไม่ได้เลยการเคี้ยวไม่ได้การดื่มไม่ได้การพูดก็ไม่ได้การผัดเปลี่ยนนิยาบทก็ไม่ได้รูปก็เสื่อมจากเดชไม่อาจจะเป็นไปด้วยเดชของตนเพราะว่าความที่รูปนั้นปรากฏเพื่อจะเคี้ยวก็ไม่ใช่ ปราถนาเพื่อจะดื่มก็ไม่ใช่ปรารถนาเพื่อจะพูดก็ไม่ได้รูปธรรม ท, ทั้งหลายนี่นะสรุปแล้วก็คือว่ารูปธรรม ท, ทั้งหลายถ้าแยกออกมาต่างหากไม่รู้เรื่องแล้วนามธรรมก็เหมือนกันในปัญจโวกะรภูมินี่นะแยกออกมาแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยทุรพลหมดเลย แ, แต่ทั้งสองอย่างนี้พอมาประชุมรวมกันเบีดเสร็จนะได้รับเหตุปัจจัยได้รับอาหารได้รับอาหารใดๆนั่นคือปัจจัยคือเหตุแล้วเนี่ยเอาแล้วแต่เนี้ย มีการผัดเปลี่ยนมีียาบทมีการดื่มการกินการพูดและวนั้นก้อนนามและรูปย่อมกระทําซึ่งกิจรวมกันอย่างนี้ความเป็นก้อนและความเป็นอันเดียวกันเนี่ยเป็นลักคณะาตายึดมั่นว่าเป็นก้อนและความยึดมั่นว่านามรูปเนี่ยเป็นอันเดียวกันนี่ด้วยอํานาจของกิจเค่หลักกิจจากคณะสัญญาอันนี้ไม่แตกจะเห็นเป็นกิจอันเดียวกันไปนใช่ไหมเราเนี่ยทำอะไรไป เ, เนี่ยการไม่เข้าไปวิจัยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นโทษ ตลายเป็นโทษแล้วตรงนี้ก็คือเมื่อประเภทของการกระทาให้เป็นอารมณ์ของสารมนะก็คือนี่แหละเป็นอารมณมานะคณะเนี่ยเป็นก้อนด้วยอำนาจของอารมณ์บุคคลผู้ไม่ได้พิจารณาสังขารทั้งหลายด้วยยานปัญญาต่างๆเป็นต้นในวิถีต่างๆว่าไงคือไม่ได้พิจารณาตามจากักรทวารวิถีลงสู่มโนทวารวิถีไม่ได้พิจารณาทางโสตทวารวิถีลงสู่มโนทวารวิถี คณทวารวิถีลงสูมโนทวารวิถีชิวหาทวารวิถีลงสุมโนทวารวิถีเนี่ยที่เป็นเปนในส่วนของอารามนาคณะอารามนาคณะในส่วนที่ไปพิจารณากิจจากคณะสมุหะและออขอไปสน ต, ติคณะสมุหะและกิจจคณะในส่วนของตัวผู้ถูกกําหนดแล้วก็ผู้กําหนดก็คือมียานปัญญาเ ป, ป็นประธานเนี่ยความเป็นคณะทั้งหลายนะ่ยอัญญาณธรามืยานปัญญาแยกแล้วเห็นอยู่แล้วในท่าทั้งหลายโดยคณะ ถึงความพินาศคือหายไปเหมือนก้อนฟองน้ําก้อนฟองน้ําที่มือขยําขยี้ใช่ไหมเป็นไงแตกไห ม, ไม ก, ก็มือขยี้ก็แตกอยู่แล้วฟองน้ําอ่ะฟองน้ําโผล่ขึ้นมาเนี่ยมือไปจับแตกไหมแ ม, แม้ใช้มือทิ่มออยังแตกเลย <c oughs> ใช่ไหมไอตรงเนี้มันก็แตกอันนี้ก็เหมือนกันปัญญานะั่นเราไปวิจัย วิจัยเจาะทะลุดทะลวงแตกกระจายให้ได้ถ้าอย่างนั้นคําว่าบัญญัติชายหญิงก็กระจายไม่ได้สันฐานะบัญญัติก็กระจายไม่ได้แม้จะไปเห็นสันฐานของแม้สันธานของกระลาบี่กระจายไม่ได้เลยก็ยังอยู่ในแดนบัญญัติอยู่นั น, นี่ ย, ย, งยังแดนบัญญัติอยู่นั่นแหละกระจายไม่ออกกระจายไม่ออก คนมีให้ยมบรลวัดรู้สึกว่าในพระศาสนายังมีเรื่องวิจัยเยอะใช่ไหมแยกคณะแล้วก็ทําแล้วนตลักษณะก็ย่อมปรากฏโดยสภาวะของตนตามความเป็นจริงคณะสัญญาความยึดถือว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนตามที่เป็นไปอยู่เดิวยอำนาจแห่งความรวมกันนะและก็สืบต่อกันไปในภายในเดิวยอำนาจแงการสืบต่อถือเอาโดยความเป็นในเดียวกันและเป็นอัตราเป็นชีวะเพราะเห็นนั้นอาจารย์จึงกล่าวว่า แยกแล้วซึ่งธาตุต่างๆดีกาขยายขยายอะไรขยายอาาัจฉริาอันนี้ท่านขยายไว้แค่นี้ยเราทาตามเราต้องมาวิจัยต่อไหมเนี่ยต้องต่อต้องต่อไปตามวิถีจักรวาลต่าง ๆ, างๆนี่ก็วิจัยไปนี่เป็นไปลักษณะอย่างนี้นี่แยกแล้วซึ่งธาตุทั้งหลายเป็นต้นอ้าดูจิตต่อดูจิตต่อ มหาคตจิตแล้วเนาะดูมหาคตังแล้วแล้วก็ประการต่อไปก็คืออาะมหาคตังอ่มหาคตังก็คือจิตที่ไม่ใช่มหาคตะเดี๋ยวดูมหาคตาจิตก่อนมหาคตะจิตเนี่ยนะที่ท่านแสดงไว้กระดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าจิตที่มีความสามารถในการข่มกิเลสนั้นประการแรกแล้วก็เป็นจิตที่ให้ผลภัยบูรนั้นประการที่2และเป็นจิตที่มีกระแสเกิดต่อเนื่องอย่างยาวนานนะ 3ประการนั่นแหละทีนี้ในความเป็นไปของมหาคตจิตเนี่ยจิตที่ดำเนินไปไดนคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่นทั้งสองในนั้นองค์ธรรมเป็นรูปาวจระจิต15และรูปาวจระจิตสิบอรูปา15อาอรูปา12รู้แล้วนะนีกลุ่มมหาคตจิตอันนี้ในบรรดาจิตที่เข้าถึงภูมิที่เรียกว่าโลกนั้น ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่านะในจิตสองจึงเรียกว่ามากัตะส่วนกา ม, มาวจระจิตถ้าเรียกว่าอมหะคตตจิตเพราะเป็นจิตที่ไม่ถึงซึ่งความเป็นใหญ่เมื่อเทียบกับรูปาวจรจิตเมื่อเทียบกับอรูปาวจจารจิตเขาเรียกว่าอมหะคตังอมมหคตังประชานาติย่อมรู้ชัดเนี่ยจิตตังซึ่งจิตอมมหคตังก็คือซึ่งไม่เป็นมากัตะ ว่าจิตไม่เป็นมหากตาัตถก็คือกามาวจระจิตเป็นจิตที่ไม่ถึงความเป็นใหญ่สามฐานะไม่สามารถข่มกิเลสได้ด้วยวิขมพนะเหมือนมหากตถจิตแล้วก็เป็นจิตที่ประเสริฐนะนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นจิตที่สามารถเกิดได้อย่างยาวนานนะี่แหละเกิดได้อย่างยาวนานเพราะว่า ตัวมากขาจิตเนี่ยเป็นจิตสามารถข่มกิเลสด้วยเป็นจิตที่ให้ผลอันภัยบุ์ด้วยเป็นสิทธิที่มีกระแสการเกิดสืบต่อกันอย่างยาวนานก้ามาวาจรจิตสามารถทําได้ไหมเอาได้ไหมแบบเนี้ยไม่ได้เลยนะที่จะข่มกิเลสอย่า ง, อ, างอุปจาระอย่างอัปนาไม่ใช่อุปจาระกามาวจรทําทได้แต่ถ้าอัปนาหมดสิทธิ์ใช่ไหมให้ผลที่ภัยบุก์ก็ไม่ได้นะ ให้ผลเอาอย่างสูงสุดจริงๆนะการเมาวาจรเนี่นะให้ผลนู่นแหละปรนิมิตสวัสวดิวัสดีเนี่ยดูยุเข้างั้นน<ม>่ยได้แค่นั้นแหละแต่โอ้โหมากตาตาเนี่ยนู่นแหละปฐมชาติทุติยชาตเนี่ยเล่นเป็นกลับเป็นสังสงวัตกรับเลยเป็นวัตกรับเลยนั่นแหละแล้วอย่างหนึ่งก็คือว่ากระแสก็ เ, เกิดต่อเนื่องอย่างยาวนานพวกเราสามารถทําจิตให้เกิดต่อเนื่องอย่ายาวนานได้ไหม ได้ยม ว, ว่าทำพระวังเกิดไงใช่ไหมทำพวังเกิดทำพระวังเกิดยาวเลยดีไหมทำให้พระวังเกิดได้เอางี้ถ้าขึ้นสู่ชาวนะแล้วกิเลสเกิดทุกทีกับอยู่ในพระวังนี่เราจะหลบอยู่ตรงไหนหลบขึ้นไปแพ้ทุกทีใช่ไหมทุกวันนี้เป็นแบบนี้แล้วนยะ เป็นไปที่ไรแล้วแพ้ทุกทีแม้ฟังยมวัดพูดยังนึกชื่นใจที่มาบอกว่ารู้ไหมว่าเนี่ยเป็นธงชัยของพระละหันคือใช่ไหมพอจีวรเนี่ยคนที่มีจีวรคล้องกายคล้องไหลแล้วเนี่ยเขาเหมือนกับถือถ้าเป็นทหารใช่ไหมเขาจะมีธงชัยเฉลิมพลถ้ามีธงนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้เขารักษา ย, ยิ่งกว่าชีวิตนะธงเนี้ยเนี่ย เวลาเอาธงนี้ข่มใช่ไหมแปลว่าเขาจะต้องสู้กิกเลสให้ชนะกิเลสให้ได้ไม่ใช่ใกิเลสมาข่มเนี่ยนะพอพูดอย่างนี้ก็บอกเหม่ใจแวบนึกถึงบรรพชาเลยว่างั้นแต่แต่พอนึกได้พอเอามาก็ฟังปั๊บก็อามาก็โอ้โหใจอามาก็ชื้นเลยใช่ไหม <c oughs> แต่พอคิดได้แวบเดียวก็นึกถึงกรรมคุณต่อเน <c oughs> ี่ยตรงนี้ว่าถึงว่าตัวกรรมต่อเหม่บที่นี้เนี่ย <c oughs> แม่พออย่างเงี้ยเรานี่ยว่าโอ้โหนึกว่ายาวใช่ไหมทําได้แว็บเดียวเองอะพอแว็บเดียวก็ปกคลุมต่อก็งั้นคิดเลยท้อใหญ่ต่อเนี่เอ้ยอย่างนี้สุดยังมีเนี้ยอัธยาสัยได้ฝังไว้แน่นนั่นน่ะไอความรู้สึกแค่วาบเดียวนั่นน่ะมีอัธยาสัยนั้นน่ะสักวันหนึ่งจะมีกําลังนั่นน่ะความคิดอย่างเงี้ยจะมีกําลังลองบริหารความคิดนี้ไปเรื่อยเรื่อยสักวันหนึ่งเดินจากทุกอย่างได้ นี่เป็นอย่างนี้ความคิดเป็นอย่างนี้มาจากแว็บแรกนี่แหละถ้าบริหารความคิดให้กว้างใหญ่ไพสารขึ้นก็เหมือนพุทธคุณใช่ไหมมาจากช่องเล็กๆนี่แหละสำ ม, มาสัมโพธิญาณก็มาจากแว็บเดียวนี่แหละเว็บความคิดเว็เดียวนี่แหละเห็นไหมที่ส่วจริงเนี่ยสำ ม, มาสังโพธิญาณเกิดได้เนี่ยมาจากเล็กๆนี่แหละจะไปดูถูกเนี่ยคว่ากุศลเล็กๆเนี่ยโอ้โหถ้า พ, อพ่อคูณให้เกิดขึ้นมาเราบรรลุได้ทุกระดับด้วยนะแต่ขอให้เดินทางถูกกันนะ นี่เป็นอย่างนี้อะต่อไปสะอุตรังสะอุตรังเนี่ยสหะนี่เป็นอุปศักดิ์บวกอุตรัลสาวิเคราะห์ว่ามาจากคาว่าอัตนานอุตริตุงสมัตเถติสหอุตตเรหิติสะอุตรังบอกว่าสะอุตรจิตเนี่ยคือจิตที่ไม่มีโลกยะจิตอื่นซึ่งมีความสามารถเหนือตนว่าไงพิจารณาดูแล้วคําว่าสะอุตรจิตเนี่ยไม่มีโลกยะจิตอื่นเลย ที่จะมีความสามารถได้เหนือตนเองได้